จากประสบการณ์จริงของหลวงปู่จันทาถาวโรวัดดงไซมูลจังหวัดพิจิตรคุณผู้ฟังคะหากจะย้อนชีวิตหนหลังของหลวงปู่จันทาถาวโรนะคะเมื่อครั้งที่ท่านไปคารวาสนเนี่ยก็ทุกยากแสนเข็นค่ะมีภรรยากับเขาทั้งทีภรรยาก็เป็นแม่ไม้ปากป ร, รา้า ลูกติดมาด้วยสามคนเพราะผู้ใหญ่ในบ้านจับให้อยู่ด้วยกันท่านก็คิดว่าจะอยู่ร่วมชีวิตไปจนตายแต่แล้วค่ะท่านก็ทนไม่ไหวเพราะว่ามีเมียแม่ไม้คนนี้นปากร้ายเหลือเกินนะคะคนบ้าอะไรผัวหาปลาไม่ได้ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟมันร้ายกาจขนาดไหนจับแหและข้องมังอรรวมกันแล้วก็เยี่ยวใสเฉยเลยบอกกับผัวว่าล้านสวยให้ยิ่งทามันก็ยิ่งสวยด่าซ้าด่าซาก ข้นอยู่ต่อไปชีวิตนี่ตกต่ำเป็นแน่แท้ใครจะทนรับไหวปากจนไรไม่สร้างสรรค์อย่างนี้ท่านก็เลยหนีไปบวชจนเป็นพระนะคะที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจบจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ว่ากว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยหลวงปู่จันทาท่านก็ผ่านสารพัดสารเพ แต่ว่าเราจะขอรวบ ป, ประตัดตอนเรื่องบางเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับท่านเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องผีเรื่องวิญญาณค่ะรู้สึกว่าหลวงปู่จันทานท่านก็จะเจอผีนี่บ่อยเสเหลือเกินซึ่งตอนนั้นนะคะก็เคยนำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่จันทานแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเราก็จะนําเป็นเรื่องของเปรตพระสามตนค่ะหลวงปู่จันทา น, นะคะท่านบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูแล้งนะคะแผ่นดินอีสานแถบอ่าแถบ แทบจะทุกแห่งเลยก็ว่าได้คือร้อนจนดินแตกระแหงน้ำในหนองแล้วก็ตามห้วยก็แห้งขอดปลาที่แหวกว่ายอย่างสนุกสนานเมื่อคราวหน้าฝน หนีลงแม่น้ำใหญ่ๆไม่ทันก็กลายเป็นอาหารนกหรือว่าอาหารสัตว์ป่ากันไปนะคะและที่นี่ก็คือวัต จ, จากของแผ่นดินถิ่นนี้นะคะเรื่องเปรดพระตรงนี้เนี่ยนะคะหลวงปู่จันทาเคยเล่า ว, ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2513พันศาที่21นะคะหลวงปู่ก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าหนองแซงอำเภอหนอวง ว, ว, งวอจังหวัดอุดรธานีนะคะหลวงปู่เองท่านก็ได้ออกทุดงไปเจริญธรรมกรรมฐานที่ถ้า จำปานะคะเรียกว่าถ้านี้นี่อยู่ห่างจากหมู่บ้านาใหม่เมืองพานแล้วก็บ้านกระลืมบนเขาภูพานแล้วก็อําเภอบ้านผือจังหวั ด, ดอุดรธา น, นีพอสมควรนะคะท่านบอกว่าคราวนั้นเนี่ยไปด้วยกันมี3รูปมีพระอาจา ร, รย์บุญพิน์พระจ่อยนะคะแล้วก็ท่านค่ะแรกๆก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกนะคะว่าในถ้านี้อยู่ที่ไหน ภูพันมันกว้างนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่เคยไปนะคะก็จะเห็นว่ากว้างสุดลูกหูลูกตาติดกับหลายจังหวัดพอสมควรนะคะแล้วก็ทางขึ้นเนี่ยก็จะคดเคี้ยวเหมือนงูนะคะไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรกับทางไปจังหวัดอ่าบางทางไปอำเภอปลาย น, ะะนี่คือภูพานก็เรียกว่าเป็นปลายน้อยๆกันเลยทีเดียวนะคะก็จะต้องบอกว่าหลวงปู่ก็บอกว่าไม่คุ้นเคยกับป่าแถวนั้นเลยก็ทุดงขึ้นไปบนเขาแล้วก็ถามชาวบ้านไปเรื่อยๆภูพานนั้นก็จะมีหมู่บ้านอยู่ก็ไม่ไม่น้อยนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยจะติดกันเท่าไหร่คือหมู่บ้านก็จะอยู่ห่างๆกันนะคะบางแห่งก็จะเป็นชุมชนใหญ่มีสัก 50-60 หลังคาเรือนก็มีส่วนมากก็จะมีเพียง 2- อสาหลังคาเรือนนะคะ ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะทำไร่ทำสวนนะคะซึ่งชาวบ้านเขา ร, รู้เขาก็มากราบนะมั ส, สการท่านแล้วก็คณะว่ามีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำจำปาซึ่งอยู่โดดเดี่ยวแล้วก็อยู่ในป่าลึกนะคะซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าท่านอย่าได้ไปเลยขอรับที่ถ้ำจำปาแห่งนี้เนี่ย ชาวบ้านต่างเล่าลือกันว่าในถ้ำ ม, มีผีร้ายเฝ้าถ้ำอยู่และในถ้ำจำปานี้มีพระพุทธรูปโบราณอยู่มากมายไม่รู้ใครนํามาซ่อนไว้ที่นี่ใครก็ตามที่บังอาจเข้าไปหยิบพระพุทธรูปในถ้ำออกมาแม้แต่พระสงฆ์องค์เนรก็ตามผีเฝ้าถ้ำ ม, มันเล่นงานแน่พระที่อวดดีอวดเก่งว่ามีวิชาอาคมเคยทดลองกันแล้วแต่และรูปเอาชีวิตแทบไม่รอดออกมาหลวงปู่ได้ฟังนะฮะก็ เกิดความสนใจขึ้นมาทันทีค่ะท่านก็เล่าว่าบรรดาครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการออกเที่ยวทุดงเพื่อเจริญภาวนาแล้วก็ประสบผลสําเร็จมาแล้วต่างแนะนําท่้ำสอนนะคะว่าการเจริญสมณธรรมนั้นจะให้ได้ผลเร็วควรจะหาที่สถานที่ที่มีภูมิเทวดาปัตตาเทวดารุขขาเทวดาภูมิเจ้าที่ทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่นั้นวัดร้างบ้านร้างถ้ารูภูเขาแล้วก็ป่าช้าเป็นต้นนะคะ สถานที่ดังที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังพระธุดงกรรมฐานควรแก่การเข้าไปเจริญธรรมเพราะว่าจะทําให้จิตใจเยือกเย็นแล้วก็จิตใจเนี่ยจะสงบเร็วขึ้นนะคะซึ่งสถานที่เหล่านี้เมื่อเราจเจริญภาวนาจนจิตเข้าที่ก็จะเกิดเป็นสมาธิแล้วพวกเขาจะมาหาเราแล้วเราก็จะเห็นข่าวนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถสอบถามเรื่องราวของพวกเขาแต่หนหลังเมื่อเขาเล่าให้ฟังก็เป็นธรรมะเตือนเราอีกนั่นแหละ บางภูมิบางสถานที่ที่มีเปรตค่ะมีผีมียักษ์โขโมรีร้ายกาศทำพิษร้ายต่างๆนานาแต่แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะคะว่าไปอยู่ในสถานที่นี้เนี่ยจงชาระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะไม่เกิดอันตรายใดๆเพราะพวกเขาที่อาศัยอยู่ที่นั่นพวกเขาก็รู้เหมือนกันว่าเป็นพระมีศีลหรืออ่ามีธรรมหรือว่าเป็นพระปลอมทุศีลหากเป็นพระทุศีลแล้วก็พวกเขาจะต้อง จัดการแน่นอนไม่นับถือนะคะก็โดนขับไล่สายส่งให้ออกจากถิ่นฐานของพวกเขาซึ่งถ้าเป็นพ้าปฏิบัติมามีปฏิปทาที่งดงามนะคะพวกเขาก็จะให้ความเคารพเลื่อมใสแล้วก็ยังช่วยกันพิทักษรักษาไม่ให้เกิดอันตรายใดๆจากสัตว์ป่าหรือว่าผีร้ายผีเกเรมาเล่นงานในขณะที่ปฏิบัติธรรมค่ะ หลวงพ่อก็ได้ถามกลับไปถึงญาติโยมนะคะที่เข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อนะคะก็ถามญาติโยมกลับไปะค่ะว่าผีร้ายหรือโยมไม่เป็นไรดอกพวกเรามาดีเอาศีลมาเออเอาศีลเอาพรแล้วก็เอากุศลมาให้พวกเขาไม่ได้มาแย่งสถานที่หรือว่ามาคิดร้ายใดๆต่อพวกเขาเลยโยมพาพวกเราขึ้นไปที่ถ้ำภูจมปาแห่งนั้นเถอะพวกชาว บ, บ้านเห็นว่าทัดทานท่า น, า น, านไม่ได้นะคะก็เลย นำทางค่ะบุกป่าฝ่าดงขึ้นไปยังถ้ำภูจำปาแล้วก็ช่วยกันทำร้านหรือว่าที่พักะนะคะให้ได้พออาศัย ก, ากลารกรดบริเวณถ้ำจำปาอากาศดีซะเหลือเกินค่ะเพราะว่าอยู่ในที่สูงก็เลยมีลมพัดเอ่อยตลอดเวลานะคะจะเรียกว่าป่าที่นี่เนี่ยยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะต้นไม้แล้วก็ใบหญ้าสีเขียวุ่มอยู่ในทุกฤดูกาลโดยหลวงปู่นะคะท่านบอกเพียงว่าได้สัมผัสครั้งแรก ก็เกิดความอุ่นใจแล้วก็สบายใจเป็นที่สุดแล้วนะคะเหมือนหนึ่งว่าเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยมาก่อนหลวงปู่แล้วก็สหายธรรมของท่านก็เลยปักกลดห่างกันไม่มากนะักโดยหลวงปู่จันทาบอกว่าค่ะหลังจากชาวบ้านได้ลากลับบ้านไปแล้วท่านก็ได้หาแหล่งน้ำชำระร่างกายพอให้เย็นกาย นะคะจากนั้นก็เข้าที่แล้วก็ตั้งสัจจะอธิฐานกับตนเองว่าจะเร่งรัดพัฒนาความเพียร น, นะคะจะไม่ยอมนอนหนึ่งเดือนอดนอนผ่อนอาหารเอาชีวิตเป็นแดนดังนั้นค่ะเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเจริญภาวนาในหลายอริยบทนั่นก็คือนั่งเดินยืนเพื่อให้จิตสงบไม่ค่อยมีเวลาสนทนากันเท่าไหร่หรอกนะคะโพลโตดูกนรุกขเทวดาภูมเทวดาหญิงชายที่เป็นเจ้าของสถานที่ ผู้ไปอย่าให้คาผู้มาอย่าให้ค้่องเราเป็นพี่เป็นน้องอันเดียวกันจะมาเจริญสมณะธรรมจงช่วยอนุโมทนาส่วนบุญกันนะนั่นแหละเมื่อเข้าไปเจริญภาวนาในสถานที่เช่นนั้นก็ต้องตั้งใจมั่นกินน้อยมากน้อยเจริญภาวนาเพียงอย่างเดียวไม่มีหลับนอนที่นี่พวกที่อยู่ในป่าเขาก็หมายถึงภูมิเทวดาทั้งหลายที่ดูแลสรรพสิ่งในป่าไม่เคยเห็นพระปฏิบัติเคร่งครัดในทุดงทวัรศีลควัด จงเดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิการเคพ่งครัดในการปฏิบัติสมณะธรรมเช่นนี้เมื่อพวกเขาเห็นแล้วก็สรรเสริญในความเพียรพุทธโธธรรมูมสรณังคฉามิข้าพเจ้ามาอาศัยอยู่ณบริเวณนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอารันยิกังคะอยู่ป่าเป็นวัดรุขมูลกังคะอยู่คนต้นไม้เป็นวัดโสสานิกังคะอยู่ป่าช้าเป็นวัด ยถาสันทติกลางคะอยู่เงื้อมเขาเป็นวัดเนสัตชิกลางคะอดนอนผ่อนอาหารเป็นวัดหลวงปู่จันทาได้บอกนะคะคุณนู้ฟังว่าล้วนเป็นเครื่องกระหนองกิเลสเพราะว่ากิเลสที่ติดอยู่กับจิตวิญญาณของเรานั้นนี่มันเหนียวแน่นมันตามมาทุกภพทุกชาติไม่มีภพใดหรือชาติใดที่มันจะหลุดออกจากจิตได้เนื่องจากว่าเกิดมาในแต่ละภพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภพใหญ่หรือภพน้อยนะคะก็มาบำรุงส่งเสริมแต่กิเลสทั้งนั้นเลย วันนั้นขลังพระอาทิตย์ตกดินกันไปก็ท่านก็ทําความเพียรก็คือเดินจงกรมบนลานหินที่ชาวบ้านกวาดทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจนถึงสามทุ่มท่านก็เลยได้เข้ากรดไหวพระสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนะคะแล้วก็รูกขเทวดาทั้งหลายรวมไปถึงสรรพสิ่งที่อยู่ในป่าแห่งนี้เมื่อหลวงปู่จันทาได้ทําวัดเสร็จแล้วก็เข้านั่งภาวนา โดยท่านได้ ก, ก, กำหนดนะะพุทธโทธรรมโมสังโฆไปเรื่อยๆนะคะไม่นานจิตของท่านก็รวมเป็นหนึ่งสู่ความสงบจนเกิดเป็นสมาธินะคะก็เห็นแสงสว่างจ้าไม่นานค่ะก็มีเทพประบุองหนึ่งมาแล้วก็มาพูดว่าท่านอาจารย์หันปลายเท้าเข้าหน้าถ้านั้นเป็นทางไปพระนิพพานนะหลวงปู่ถามในนิมิตว่าทางไปนิพพานคืออะไรเทวดาองค์นั้นก็บอกว่าพระพุทธรูปนั่นแหละ เป็นนายโกผู้รักษาประตูนะคะผู้นําโลกคือหมู่สัตว์เข้าพระนิพพานได้ทีนี้ท่านหันปลายเท้าเข้าไปอย่างนั้นมันผิดแล้วหลวงพ่อท่านก็เลยบอกนะคะโอ้พวกโยมเขาทําให้อย่างนี้ต้องขออาภัยด้วยพรุ่งนี้จะให้เขาทําให้ใหม่อ่ามาบอกเพียงแค่นั้นแหละนะคะเทวดาตัวนั้นก็กลับไปส่วนจะไปไหนเนี่ยหลวงปู่จันทาท่านก็ไม่ได้สนใจคือท่านก็อยู่ในสมาธิตลอดไม่มีการกระสับกระส่ายวอกแวกนะคะ แต่สักพักหนึ่งค่ะก็มีเปรต3ตนนะคะเป็นพระค่ะเดินย่างสามขุมเข้ามาหาหลวงปู่นะคะลักษณะคือเป็นคนโบราณรูปร่างสูงใหญ่คลองจีวรนสีเหลืองดูเก่าจนดูมอมแมมขาดวินแหว่งเป็นรูมีเราายาวจนถึงหน้าอกเลยทีเดียวพวกเขาทั้ง3าคนนะคะเข้ามานั่งใกล้ๆ ก, ก, กดจนกลิ่นสาบโชยมาอย่างรุนแรงพระเปรตเนี่ยก็เลยเอามือมาลูบแข้งลูกขาด้านซ้ายพร้อมกับถามแปลกๆนะคะบอกว่าท่านท่าน ผมกับท่านใครแก่พรรษากว่ากันหลวงปู่จันทาก็ได้ตอบนะฮะบอกว่าก็หลวงพ่อนั่นแหละแก่กว่าพระเปรตก็ทำเป็นยืดอกและพูดขึ้นอย่างภูมิใจเออก็คงจะจริงอย่างที่ท่านว่านั่นแหละพรรษาของพวกผมเนี่ยแก่กว่าท่านแต่คุณธรรมของท่านนั่นแก่กว่าพวกผมนะหลวงปู่ก็เลยถามนะะว่าแก่กว่าเพราะเหตุใดหรือเปรตสามคนค่ะเลยพูดขึ้นพร้อมกันเลยนะฮะบอกว่าแก่กว่าเพราะว่า ท่านเนี่ยบวชในาศาสนาพุทธอันบริสุทธิ์แล้วสมควรเจริญธรรมอย่างต่ำก็ไปสวรรค์6กชั้นแล้วอย่างกลางก็อยู่พรหมโลกอย่างสูงก็อรูปประพมชั้นสี่และอย่างสูงสุดก็วิมุตติหลุดพ้นไปพระนิพพานข้ามสงสารไปพ้นแล้ว พวกข้าเกิดมาพบพระาศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาเป็นเจ้าเมืองเวียงจันท์เรื่องอำนาจและสร้างวัดต่างๆมากมายเมื่อบวชแล้วอุปชาอาจารย์ก็ไม่เคยจะแนะนําอะไรให้ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมทําสมาธิประการใดพวกข้าบวชมานานกว่าร้อยพรรษาไม่เคยได้เจริญภาวนาแต่อย่างใดแต่และ ว, วันฉันอาหารแล้วก็จําวัดฉันอาหารแล้วก็จําวัดหรือไม่ก็ออกไปทําไร่ทําสวนเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนพวกญาติโยมทั่วไป ไม่เคย ป, ปฏิบัติตนตามพระวินัยที่ปรากฏมาแต่สมัยโบราณกาลแต่ประการใดศีล227ข้อไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรบ้างพอถึงเทศกาลสงกรานต์ก็เล่นสาดน้ำดำหัวกับพวกผู้หญิงจับอกจับแก้มกันสนุกมีข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเสพกามแต่พอเสร็จงานแล้วชาวบ้านพวกสาวๆก็ไปขอขมาลาโทษกันทาพิธีสู่ขัญต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกเราได้ทามาล้วนต้องอาบัตทุกก ทั้งหมดเป็นผลที่ทําให้พวกเรากลายมาเป็นเปรตตกค้างอยู่ที่นี่นอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีเปรตแม่แม่ขาวหรือว่าเปรตนางชีตกค้างอยู่ที่นี่จํานวนมากหลวงปู่ก็เลยได้ถามนะคะคนที่ฟังถามไปบอกว่าเมื่อไหร่จะได้หลุดพ้นเมื่อไหร่จะได้ไปผุดไปเกิดจะได้ไม่ต้องมาเป็นเปรตที่นี่มาเป็นเปรตเฝ้าพระพุทธรูปอย่างนี้พวกเปรตและก็พระชีก็ตอบบอกไม่รู้อยู่ที่ถ้าจำปานี้มาหลายภพหลายชาติแล้วเป็นเปรตเป็นผีอยู่อย่างเนี้ย เมื่อรู้อย่างนี้แล้วหลวงปู่จันทาก็เลยได้ช่วยสงเคราะห์นะคะโดยให้รับพระไตสรสารณคมแล้วก็ศีลห้าเพื่อให้หลุดพ้นจากสภาพเปรตได้ไปผุดไปเกิดในโลกมนุษย์ต่อไปคุณผู้ฟังคะ ม, มันก็หน้าเป็นเปรตอยู่หรอกเนาะเป็นพระเป็นเจ้าแท้ๆนะคะยังทําตัวไม่ดียิ่งถ้าบวชอย่างเปรตอย่างพวกเปรตพัดเอานี้แล้วได้บุญแล้วแล้วก็หนุ่มไทยทั้งหลายนะคะก็คงจะต้องห่มเหลงิงเต็มเมืองสินะแต่ถ้าบวชแล้วเป็นผีเปรตแบบนี้ ก็สมควรแล้วไม่ใช่หรือคะกลับมาติดตามแลบฟังพระเจอผีกันอีกนะคะในตอนต่อไปหมดเวลาแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ